ฉันอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตฉันอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีพ่อแม่รักกันเหมือนธรรมดาฉันอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกคนอยู่กัน พร้อมน้พร้อมตาอยากจะมีพรอบครัวที่มีความสุขมีพ่อมแม่รักกันเหมือนธรรมดา